ตัวจอกนี้ไปเป็นการแสดงทํามเรื่องรับแท้ของมนุษย์โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่ย7สเจ็ดกันยายน2536้าที่พุทธสถานปฐมสุขขอเชิญทัติตารับฟังได้นะบัดนี้มาพูดถึงเรื่องเนื้อหา การเกิดแก่เจ็บตายนะชีวิตมนุษย์นี่ก็มีเกิดเกิดมาก็แก่ก็เจ็บก็ตายบางคนก็ไม่ตายถึงขั้นแก่อย่างที่เป็นนี่แหละแต่การตายด้วยร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่การตายเรื่องการตายร่างกายนีย่เคยตายกันมาทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ไม่มีใครไม่เคยตาย พระพุทธเจ้าท่านตรัสนี่ท่านไม่ได้ตรัสว่าไม่มีใครไม่เคยตายอย่างเดียวท่านตรัสว่าทุกแผ่นดินเอามือจิ้มลงไปนาที่ใดไม่มีเลยที่เราไม่เคยเกิดเราไม่เคยตายวัตตะสงสารนี้มากมายนักอย่าที่เคยพูดเคยบอกซ้ำซากมาเสมอนะว่า คนเราตายเกิดนี่ถ้าเอากระดูกกระดูกของแต่ละคนแต่ละคนที่ตายชาตินี้เป็นคนชาตินโน้ไม่ไดเนน้เป็นคนเกิดเป็นงวเป็นควายก็เอากระดูกมาแต่มันเป็นของเราเนี่ยเพราะเราเองต้องไปมีบากต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นคนอีกก็ตามใจจะได้เกิดเป็นคนฐานะดีหรือไม่ฐานะดีก็ตามแต่บุญบาปของเราเพราะว่ากรรมสกมหิกรรมทายาโทกรรมทายา นะกรรมสกุลมีกรรมทายาโถกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมมังสัตเตวิพัชติไปตามกรรมผู้ทําบาปไปบาปผู้ทําบุญไปบุญหมุนเวียนก็อยู่ในวัฏสงสารนี่นับไม่ถ้วนเพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยของตัวเองนะกระดูกชาตินี้เราได้เท่านี้เกิดเป็นคนร่างกายไม่ใหญ่ไม่โตนักก็เอากระดูกตายแล้วเอามากองเกิดเป็นงวัวอาจจะอาจจะได้กระดูกโตกว่าคนหน่อยเอามากอง เกิดเป็นคนอีกเอากระดูกมากองกองรวมของกระดูกของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเท่ากับภูเขาเวบุรบันพรตในตายพบความโศกเศร้าน้ำตาไหลกันมาแล้วสีมหาสมุทรยังน้อยไปแต่ละผู้คนนี่ถ้าไม่ได้บอกว่าน้ำตาของเราสีมหาสมุทรเท่านั้นนะท่านบอกว่าสีมหาสมุทรนี่ยังน้อยไป น้ำ ต, ตาของแต่ละคนที่ได้เกิดมาพบทุกพบทุกได้โศกได้เศร้าได้ร้องงมร้องไห้มาของแต่ละคนวนเวียนเกิดวนเวียนตายกันอยู่เนี่ยนานับชาติกว่าจะพบพระพุทธเจ้ากว่าจะพบศาสนาพระพุทธเจ้ากว่าจะได้เรียนรู้โลกลุตรธรรมกว่าจะได้มาละล้างกิเลสเพื่อที่จะไปสู่นิพพานเพื่อที่จะได้พัฒนาตนเข้าไปสู่ กระแสแห่งนิพพานเข้าโสดาบันบุคคลเข้าโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลซึ่งจะเที่ยงแท้ต่อความเป็นพระอาหารหันต์เที่ยงแท้ต่อความเป็นนิพพานไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องเล่นๆผู้ที่เข้าใจสัจธรรมแล้วยังอัตมาเข้าใจสัจธรรมเนี่ยการตายการเกิดไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องเปลี่ยนร่างตามวิบากนะ เป็นเรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนร่างตามวิบากเท่านั้นบางคนตายอายุสั้นบางคนตายอายุมากการตายอายุสั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นบาปของเขาทีเดียวอย่างในเมืองไทยเรานี่มีคนอยู่คนนึงทุกคนรับรับรับรองว่าเป็นผู้ที่มีภูมิธรรมสูงคือคุณเสเียนโพธินันทะนะ กุสเสถีนโพธินันทาในตาอายุ39ยังหนุ่มแน่นอายุ39นี้เก่งทางธรรมะมากคนนับถือเป็นอาจารย์สอนธรรมะเขาเขาเรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ไม่ใช่พระไตรปิฎกของเทรวาจางเดียวนะพระไตรปิฎกของมหายานด้วยกุสเสถีนเนี่ยสเสถียนโพธินันทาเนี่ยเป็นคนที่คนเคารพนับถือมากเป็นฆราวาสไม่ได้บวช แต่แม้แต่พระเจ้าก็เคารพนับถือวิบากของคุณสเสถียนก็อายุสามสาก็ตายไม่ได้ยาวนานอะไรเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นก็ทำประโยชน์บรรยายธรรมะเขียนหนังสือธรรมะอะไรเอาไว้ไปบรรยายก็คือเทศนี่แหละมึนก็เทศนี่แหละเขียนมาเยอะเหมือนกันหนังสือธรรมะนะหรือแม้แต่บางบุคคลอายุจะน้อยกว่านั้นตายก็เป็นไปตามวิบาก เพราะราจะไปยืนยันว่าคนอายุสั้นเป็นคนบาปคนอายุยาวเป็นคนมีบุญไม่จริงบางคนคนอายุยิ่งยาวนะได้ยิ่งบาปยิ่งทรมานทรรรมยิ่งอยู่เพื่อสร้างบาปไปมากด้วยซ้ำยิ่งมีอายุยืนยาวก็ยิ่งสร้างบาปไปมากเพราะไม่มีทิศทางของชีวิตไม่ได้ศึกษาพระธรรม ไม่รู้จักสัตริยธรรมไม่รู้ทิศทางเกิดมาเป็นโมฆะบุรุษเกิดมาเปล่าชีวิตไม่ได้สิ่งที่ควรได้โมฆะแปลว่าศูนย์เปล่านอกจากศูนย์เปล่าแล้วยังได้บาปติดตัวในนีในเว้ น, นได้ภัยติดตัวไปตายเปล่าก็น่าเสียดายซึ่งเราก็บังคับไม่ได้เพราะเราจะบังคับให้คนรู้เนี่ยบังคับไม่ได้นะบังคับให้คนศรัทธาเลื่อมใสบังคับให้คนเชื่อถือ บังคับกันไม่ได้บังคับปัญญาบังคับไม่ได้ปัญญาของคนผู้จะฉลาดผู้ที่จะรู้จะเข้าใจสัจธรรมก็เป็นของผู้นั้นผู้นั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้พบสัจธรรมได้พบพระพุทธศาสนาได้บาเพ็ญประพฤติได้ศึกษา เกิดญาณเกิดปัญญาจนกระทั่งมีมักมีผลแม้มีมักมีผลแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้บรรลุในชาตินั้นชาติเดียวพอมีมักมีผลแล้วก็ บ, บรรลุเลยชาติเดียวก็ไม่ใช่ง่ายนะจริงๆแล้วไม่ปรากฏว่าใครเพราะพระพุทธศาสนาได้บรรลุทำเลยอ่า พอพศาสนาแล้วก็ไปศึกษาทันทีบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทันทีชาติเดียวไม่จริงเป็นไปไม่ได้ง่ายๆนะเพราะวาธรมะของพระเจ้านี้ลึกซึ้งนักลึกซึ้งแล้วก็ปฏิบัติพื่จะล้างกิเลสก็ยากเพราะคนเรานี่เกิดมาด้วยอวิชชาทั้งสิน้นเกิดมาแล้วก็หลงระเริงไปกับอวิชชาจึงเรียกว่าปุถุชนแปลว่าหนา กิเลสนะมานานมากมายเมื่อเรารู้ว่าเรามีกิเลสในพทุทธิมาปฏิบัติธรรมเรารู้ดีขณะเรารู้แล้วนะว่าเรามีกิเลสแพรมันนับครั้งไม่ถ้วนถ้าเป็นนักชกก็เรียกว่าถูกน็อกมาเยอะแต่ละคนปฏิพุทิธรรมนี่แหละปฏิพุทธจริงๆเมื่อรู้จักกิเลสอ่านกิเลสเป็นแล้วพอเราจะยอมรับโอ้กิเลสนี่มันไม่ใช่เรื่องจะน็อกมันได้ทุกหมัด รู้กิเลสจับอาการลิงคณิมิตจับกิเลสได้จริงๆแล้วนะรู้นะวิธีสมถภาวนาวิปัสนาภาวนารู้เข้าใจได้ฝึกมาบางทีฝึกมานานพอสมควรนะยังดวงกิเลสมันน็อกเลยเพราะใครที่ไม่ได้ประสบใครไม่ได้ประพฤติปฏิบัติจริงไม่รู้หรอก ผู้มาปฏิบัติจริงน่าจะรู้แต่ถึงอย่างไรมันก็สู้เราไม่ได้หรอกนะพระพุทธเจ้ามีทฤษฎีมีหลักการที่เด็ดขาดที่จริงจังแน่แท้นะสามารถที่จะใช้ทาทายพิสูจนเอฮิปสัสโกทาทายพิสูจน์ได้นะว่าสัจธรรมพระพุทธเจ้านั้น เป็นไปได้จริงถึงมักถึงผลจริงไม่ใช่เป็นเรื่องพูดลอยลมหรือ ว, ว่าพูดเล่นๆพิสูจน์ไม่ได้ไม่ใช่พิสูจน์ได้จริงๆนะเพราะงั้นแม้แต่ยุคการสมัยนี้ถ้าศึกษาดีๆมีสมาธิปฏิบัติจริงก็จะรู้เองว่าอาการลิโกรจริงๆแม้แต่ยุคการนี้เราก็สามารถที่จะมีมั่มีผลได้ แต่มักผลนั้นมันก็ไม่ง่ายอย่างที่กล่าวแล้วพระพุทธิรู้ว่าตนเองได้มักได้ผลก็จะมั่นใจศรัทธาเลื่อมใสแม่ผู้ใดมาบวชแล้วก็บวชไปจนตายนั่นแหละแม่มันจะไม่บรรลุ ถ, ถึงอาราหันต์ในชาตินี้ก็ไม่มีปัญหาสั่งสมภาคเพียรไปตามบุญบา ร, รมีของตนของตนไม่มีใครมาสั่งสมให้เราได้บุญใครบุญมันกรรมของใครกรรมของมันกรรมสกโกมหิเป็นกรรมสกตตาทำเพราะพระผู้ใดปฏิบัติจริงแล้วจะเห็นจะเชื่อ จะมีกรรมสกตาศัทธามีวิปากาสาัทธามีกรรมสกรรมสา ก, าสกรรมสัทธาวิปากศัทธากรรมสกตาสาัทธาตถาคตโพธิศรัตธาจะศรัทธาในกรรมศรัทธาในวิบากศรัทธาในกรรมที่เป็นของของตนตนทําตนได้ตนทําบาปจะไปแบ่งให้ใครก็ไม่ได้ใครจะไปหรือแม้แต่บุญก็แบ่งกันมันก็ไม่ได้บาปใครก็บาปมันใครทําแล้วจะไปโกหกทําในที่รับ ทำในทแจงบาปทั้งนั้นทำมันเป็นบาปก็คือบาปไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยเราทำอยู่คนเดียวก็บาปไปโกหกคนอื่นก็ยิ่งบาปตบาปซ้ำบาบซ้อนทำบาปอยู่ดีเดันไปโกหกคนอื่นว่าเราไม่ได้ทําบาปได้บาปตัวโกหกนั้นอีกซ้ำซ้อนกันไปอีกเพราะงั้นไม่มีใครสามารถจะโกงศัจธรรมได้และเราเจอมาชาติหนึ่งเราได้ไป ก็คือกรรมของเราติดตัวเราไปเราไปโกงก็มาได้เงินโกงก็มานี่ได้เงินแต่พร้อมๆกับโกงนั้นได้กรรมคืออกุศลกรรมหรือบาปโกงเขาได้เงินมาด้วยแต่กรรมของเราคือบาปก็ได้บาปด้วยเสร็จแล้วอธิตายแล้วไปด้วยนะมันอะไรฮะเงินเหรอเขาเอายับเส่ปากเหรียญหนึ่ง แต่ก่อนเลรียญเงินนะเอาเลี้ยญเงินสั้นๆปากเลี้ยนหนึ่งเผาเสร็จแล้วไปคุยที่กองฟอนละลายอย่าง น, นี้นั่นเนี่ไม่ได้ไปด้วยแม้แต่บาทเดียวก็เอาไปไม่ได้ไอ้ที่ไปด้วยนี่คือกรรมที่เป็นบาปไปโกงก็มาได้เงินก็จริงได้บาปคือบาปที่ไปโกงไปทุจริตนั่นมาอากุศลกรรมนั่นมาได้แน่ แ, นแท้ก็คือบาปติดตัวไปด้วยอีกกี่ชาติก็ไอ้นวไปไอ้เงินไม่ได้ไปด้วยหรอกต่อให้ไปโกงก็มาร้อยล้านพันล้าน ยิ่งบาปมากไปโกงก็ไม่ได้ร้อยล้านพันล้านนะยิ่งบาปมากไอ้ที่ไปด้วยคือบาปมากๆนั่นะไปด้วยเงินร้อยล้านพันล้านไม่ได้ไปด้วยหรอกสักจธรรมเป็นจริงอย่างนี้ไปฆ่าเขาตายสะใจโหยชื่นชมยินดีแต่ที่แท้ได้สะใจนั่นเลยได้บาปแต่กรรมที่ไปฆ่าเขากรรมบาปกรรมนรก ไอ้ที่สะใจเนะี่ยเป็นความหลงอำนาจกิเลสอำนาจทําชั่วโดยที่ตัวเองไม่รู้จักสัจธรรมทำร้ายทาแรงจนกระทั่งข่าแกงกันแม้แต่ข่าสัตว์มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วาศาสนาพุทธศีลก้อที่หนึ่งเลยอย่าข่ากันเลยแม้แต่สัตว์ก็อย่าไปข่ากันเมตากันช่วยเหลือกันนี่ก็ยังจะอยู่วันี้ก็จะเป็นสุขเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันยังแย่งยังชิงกันอยู่เลยนอกจากไม่โทสะแรงจนกระทั่งข่ากันมันยังรูป อย่างจริงกันเอาลาบเอายศเอาตำแหน่งยศสักเอาน่นเอานี่เออดีเออเด่เเดเเดเนเบ่งเบคมคมกันไม่เข้าเรื่องว่าแม้แต่ไม่โทรสักก็ยังมีโลภะกันอยู่ที่จะเบียดเบียนกันยังเป็นอะไรดีมันต้องมาเรียนรู้โลภะโทรสารโมหะกันจริงๆแล้วมาสั่งสมลดละเราลดละความโลภลดละความโกรธได้เราก็ได้ใครจะมาได้กับเราแย่งกันไม่ได้ถ้าเราไม่ทําเอาเราก็ไม่ได้ เพราะการเกิดการตายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยได้มีสติสังวรมีการประพฤติปฏิบัติสะสมเอาอริยทรัพย์นี้ได้ไหมควรจะเก่งให้ตายไปเรียนมาไปสร้างความสามารถมาจบดอกเตอร์มาคนละสิบดอกเสร็จแล้วก็ได้ไปรับตําแหน่งได้เงินเดือนเดือนละแสนน่นะ เดือละล้านก็นตามโลบโมโทสันเอาเปรียบเพราะคุณเก่งคุณสามารถคนอื่นสู้คุณไม่ได้คุณไปเอาเรียบเอาเรียบเอาไดก็มาเป็นบาปทั้งสิ้นเกิดมาเสียชาติเกิดเก่งก็จริงแต่เก่งไม่ใช่ว่าจะไปช่วยหรือเฟือไฟมนุษย์โลกถ้าเก่งก็มาสิมาช่วยเหลือมนุษย์โลกไม่ต้องไปเอาเงินเดินเงินดาวอะไรก็ได้เราพิสูจน์อยู่นี่พวกเราพิสูจน์อยู่นี่ ไม่ต้องไปที่เรอโลมโทสันอะไรก็ได้ชีวิตอยู่รอดคนที่นี่ไม่มีเงินเดือนกันอยู่ต้องเท่าไหร่ก็อยู่กันได้เพราะเขาไม่ถึงสัตธรรมเขาปฏิบัติกันไม่เป็นเพราะอยู่ไม่รอดไม่มีเงินอยู่ได้ไงที่นี่อยู่ได้มาดูเอาสิไม่มีเงินอยู่ได้ไม่ต้องมีลาบไม่ต้องมียศปลดยศปลดตาแหน่งอะไรกันก็โดยซ้ำไม่ต้องไปให้คำว่าปลดด้วยเราปลดเอง อาตมาลาออกจากงานมาเนี่คนขอร้องให้อยู่พวกเราทั้งนั้นน่ะที่ออกมาจากงานลาออกจากงานมานี่ยเขาขอร้องให้อยู่ทั้งนั้นแหละเจ้านายขอร้องทั้งนั้นไม่มีใครเขาอยากให้ออกหรอกเพราะเราปฏิบัติธรรมแล้วเราเป็นคนดีเราไม่เอาเปรียบเอารัดใครเราเป็นคนขยันหมั่นเพียรเราเป็นคนมีเมตตาเกื้อกูลเอือ้อเฟื้อช่วยเหลือเสียสละเราก็เป็นประโยชน์คุณค่าที่แท้จริงไม่มีใครเขาอยากให้เราหนีจากมาหรอกเขาอยากให้อยู่ร่วมงาน ช่วยงานแต่เราเห็นว่าอยู่อย่างนั้นมันก็เอ๊เท่านั้นเพราะงั้นคนที่ภูมิธรรมฐานสูงแล้วเขาก็ไม่อยู่วะเขาก็ลาออกมามาทํางานทําการที่จะเป็นกุศลเป็นบุญมากกว่านั้นไม่ต้องได้เงินได้ทองอะไรก็ยิงได้บุญไอ้เรื่องจะพูดถึงทฤษฎีกำไราขาดทุนของอารยชนนี่มันยิ่งหัวตีดินในคนทุกวันนี้มันพูดกันแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่เอาเถอะเขาไม่เข้าใจก็คนเข้าใจมี อาตมาก็เทศกับคนที่เข้าใจนี่แหละแล้วก็คนที่เข้าใจนี่แหละจะเป็นผู้ที่พึงประพฤติภิสูจน์ทุกวันนี้อาตมาก็ภูมิใจนะว่าลูกพระพุทธเจ้านี่ยอยู่มาได้ถึงขนาดนี้ทุกวันนี้พุทธศาสนิกชนขนาดเด็ก ๆ, ๆ, ๆ, ๆเล็กๆนี่ยังรู้เรื่องทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยชนเด็กนักเรียนหมน 1, หมนึ่งมสองยังฟังได้รู้เรื่องเข้าใจเสียสละเป็นบุญเอาเปรียบเป็นบาปมาเสียสละจริงๆไม่หลบโมโทสัน ไม่ต้องไปตะกราตะกรามเอาเพียรเอารัดใครได้ประโยชน์เด็กๆก็รู้เด็กๆก็เข้าใจเด็กเขาก็ฝึกเพียรก็อยู่เขาดูตั้งแต่ก็รู้ว่าเขามีกิเลสมั้งนะก็ลดละสิมาล้างกิเลสกันจริงๆถ้าล้างลดละกิเลสได้เขาก็ได้ถ้าก็ละล้างไม่ได้เขาก็ไม่ได้ของใครก็ของมันสัจธรรมมันก็เป็นเช่นนีนะ้เพราะงั้นสําคัญที่สุดคนเราเนี่ระวังเถอะผู้ที่ยังไม่ตาย อย่าปล่อยให้ชีวิตโมคะอย่าปล่อยให้ชีวิตศูนย์เปล่าอย่าที่อาตมากล่าวแล้วว่าแม่แต่ว่าเราจะตายเร็วหรือตายช้าถ้าตายในกองกุศลตายในสภาพที่เป็นกุศลนะสบายใจไดู้มิใจได้เลยนะไม่มีปัญหาหรอกถ้าตายในกองอกุศลสินะตายในสภาพที่เป็นอกุศลไ อ, อย้ยางงั้นสิไม่น่าเลยนในชีวิต แต่ชีวิตที่ได้พบสิ่งที่เป็นกุศลและก็ตายในสภาพที่มีกุศลห้อมล้อมทีเดียวอันนี้ก็เป็นบุญของผู้ตายนั้นๆแล้วมันดีสั ก, กว่ า, าที่จะมีชีวิตตายอยู่ในสภาพที่เราไปทำอกุศลแล้วเราก็ตายาการตายการเกิดจึงเป็นเรื่องที่ควรสังวรพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องมอรณะสติมรณะสติให จะลึกถึงความตายให้เสมอว่าคนเรานี่อายุสัน้นอายุยาวมันไม่ได้เที่ยงเลยไม่แน่ไม่นอนใครไม่รู้วิบากของตนว่าเราจะเกิดจะตายเมื่อใดเพราะาอย่าประมาทพระพุทธเจ้าก็สอนกับเจ้าก้ามเช้าเรื่องอย่าประมาทอย่านึกว่าเรายังมีเวลานะโอ้บทมากมายเลยที่ตันเทศเอาไว้อย่านึกว่าเรายังผมดําเนื้อหนังยังหนุ่มยังแน่นยังแต่งยังตึงอายุเรายังน้อยเพราะฉะนั้นเราก็คงจะยังไม่ตาย พระพุทธเจ้าสอนไว้หมดท่านไม่เคยให้ประมาทไม่เคยให้ประมาทอย่าประมาทในวาระเวลาน า, น, วนาทีหนึ่งวินาทีนึงเราควรจะสำนึกซึ้งวอนให้เกิดบุญขอย้ำอีกทีบุญเท่านั้นกุศลเท่านั้นจะเป็นสมบัติเป็นทรัพย์ของมนุษย์อื่นๆไม่มีต่อให้คุณได้รวยราบรวยยศขนาดไหน ยิ่งไปรวยลาบรวยเยอก็ต้องไปแย่งไปจิงเขามามจะได้ลาบได้ยศก็คือไปเอาเปรียบเอารัดทำไมเอาเปรียบเอารัดเสียสละมันจะไปเหลืออะไรคนเราจะมีชีวิตเข้าใจเรื่องการเสียสละแม้เราจะมีสิ่งแรกเปลี่ยนมาเราทํางานเราไปห้ามไม่ให้เขาไม่ให้เงินเดือนก็ไม่ได้จะเป็นลดเงินเดือนก็ไม่ถูกเขาตั้งราคามาทํางานร่วมกันหลายผู้หลายคนตําแหน่งนั้นขนาดนั้นซีสมต้งไดนตัวนี้ซีแปดต้องได้ทุนนี้ 4, 8, พอได้มาแล้วถ้าคนนี้มีจิตใจเสียสละแต่เงินเดือนมาหมื่นหนึ่งเขาก็แจกจ่ายเชื้อจานทำบุญทำทานเพื่อเฟื่อเชื้อจุนไม่ได้กักตุนไม่ได้สะสมไม่ได้กรอบโกยเขาก็ย่อมไม่มีเงินแต่คนคนนี้มีบุญเขาย่อมไม่มีเงินเพราะเงินเขาไปแจกจ่ายเชื้อจานทำทานทำการเสียสละเขาก็หมดไปหมดไปหมดไป แต่คนที่แม้ได้มาแล้วยังไม่พอเอาไปต่อเงินอีกนะเอไปใช้วิธีเล่นเล่นนนีดีไม่ดีเป็นเล่นการพนันเล่นหุ่ น, เ ล, น, น, นเล่นนนเล่นนี้หาทางได้ไวๆเอาทั้งนั้นเป็นการได้เปรียบที่ไม่เข้าทา่าเป็นบาปเป็นสภาพซับซ้อนที่มอมเมาอะไรซับซ้อนบาปบุญธรรมก็พูดมามากเสร็จแล้ว ก, ก็ได้เงินมาจริงตายจากไปไม่ได้เงินแต่ได้กรรมกรรมที่ตัวเองไปทําทุจริตไปทํากรรมที่มอมเมากรรมที่ไม่เข้าเรื่องเขาราวกรรมขีล้ลก ตามคี้เอาเปรียกเอาเปรียบเอารัดอะไรก็แล้วแต่ได้บาปเ่านั้นติดตัวไปบางทีตายไปด้วยกองเงินที่เป็นล้านไม่รู้กี่ล้านแต่ได้บาปไปเป็นพเพลอเกวียนเลยมันชื่นชมแล้วหน้าชื่นชมและชีวิตที่เกิดมาอย่างนั้นนะเกิดมาก็ได้แต่บาปติดตัวไปพเพลอผลึกแต่ในโลกมนุษย์ไม่มีปัญญาอวิชชานึกว่าตัวเองร่ารวยนึกว่าตัวเองได้เปรียบนึกว่าตัวเองโอ้โหเก่งฉลาด ไอ้คนนั้นมันสู้เราไม่ได้มันเสียเปรียบไอ้คนนี้เสียท่าเราเราเอาเปรียบได้เราได้กําไรแบบโลกๆ ล, ลยนะเราได้เปรียบม า, มากๆได้เงินได้ทองมาเยอะก่อคลยเอาเงินต่อเงินเอาอะไรแต่ไรต่างๆนานาเอาลาบเอายศอะไรที่มาเกาะมโกยทุกวันนี้ก็พยายามแย่งตําแหน่งอย่างอํานาจไปขอรับชั่นไปทําอะไรแต่ออไรอยู่ในบ้านในเมืองอย่เยอะแยะเขาไม่รู้จักสัจธรรมจริงๆ น่าสงสารที่สมมาเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็ได้แต่สังเวชใจไม่รู้จะไปช่วยเขาได้ยังไงเพราะเขาไม่เชื่อถือเขาไม่ยอมรับจริงๆก็คือเขาตาบอดตาบอดตั้งๆต่ตาดีนี่แหละไม่มีธรรมมาจากสุผู้โดยภาษาพระไม่มีดวงตาแห่งธรรมเพราะเขาพูดก็ไม่รู้เรื่องเหมือนคนตาบอด สับนี้นในพระไตรปิฎกก็มีเยอะพระพุทธเจ้า ต, ตรัสสอนพวกคนที่ตาบอดไม่มีธรรมจักสุเนี่ยท่านก็สอนไม่เยอะเราก็ช่วยเขาไม่ได้เพราะเราจะช่วยก็ช่วยคนตาดีเท่านั้นใครตาดีไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนแก่บางคนเพิ่งมาพบธรรมโอมาเจอไม้งามมือขวานเยินไม่ใช่ขวานบินนะมาเจอไม้งามมือขวานเยนเ อ, เ อ, อ้าอ่าก็ต้องรีบจาละ ได้เท่าไรก็เท่านั้นนะยังโยมใจพร้อมเนี่ยโอ้โหตายไปสองทีแล้วก็ยังอุตส่าห์มานั่งปอดอยู่ดีได้มันก็เป็นบุญเหมือนกันนะตายไปสองทีแล้วจริงๆนีเนี่ยก็ยังอยู่รอดอีกนี่ไม่รู้เมื่อใดอีกตายที่ทสามาสงสัยจะเอาไว้อยู่ยากอนะไร น, นี่ซามันนะเอาเถอะอยู่ได้ก็ตักตวงไปกันแล้วกันเดี๋ยวนี้ก็ไม่เอาอะไรแล้วต่างออกตั้งใจนะ สร้างอดสร้งางใจ้เท่าทีร่างกายสรีระได้เท่านี้เ อ, เอาแต่บุญสร้างแต่บุญแต่ ร, รมเสียแต่สละเสียสละปฏิบัติประพฤติให้มันได้เป็นปรมาติธรรมพยายามเอาไปประมาทไม่ได้ฟังทำหน้าแป๊วฟังไปฟังไปกะมันรื่นเรืองในธรรมขึ้นดึงไม่อยู่นะบางทีเทวดาขึ้นไม่ใช่อะไรแล้ว ฟังไปก็โอ้มันคักอิริหนอปวดไปก็สอยด้วยบางทีสอยด้วยความเบิกบานน่าร่าเริงในธรรมก็แล้วแต่ใครถ้าเผื่อว่าฟังธรรมแล้วรื่นเริงในธรรมเข้าใจธรรมะเพราะว่าธรรมะของเรานี่ยิ่งจะเห็นได้ว่าเราสอนกันทุกวันนี้เนี่ยเข้าสอนปรมาจา์กันโดยเฉพาะทำวัดเช้าเนี่ยท่าธรรมเทศุทุกวันนี้ก็ต้องสอนขึ้นไปในระดับ ถวากันจริงๆแล้วระดับพระวะตวัตหาระดับวิภาวะัญหาเพราะว่าพวกเราเนี่ยยังติดติดอยู่ตรงนี้มันมาแช่อิ่มอยู่ที่พะวะัญหานไม่ถึงวิภาวะัญหาเรานะพระวัตัฐาเนี่ยัาหาในภพเรื่องอัตตาเรื่องมานะเรื่องอะไรพวกนี้จนกระทั่งชะลอติดแป้นเพิ่มภูไม่ได้อ่านจิตอ่านใจอ่านกิเลสพยายามจย่งจริง พระธารมเองในชีวิตนี้ต้องพยายามอย่างที่ว่าปรัชนาจะต้องให้าศาสนาพระเจ้านี้ต่อทอดไปได้อีกตามฐานะที่อาตมายืนยันว่าอาตมาเป็นพระบริษัตวที่จะต้องมาทํางานนี้ให้ตลอดรอดฟังถ้าไม่มีพระอรหันเกิดจริงๆแล้วแล้วก็าศาสนาไปได้ยากมากต้องมีพระอรหันเกิดและต้องมีผู้ที่สืบทอดศาสนาสองพนาร้อยปียังไม่ถึง 5,000 ปีเลย แต่ศาสนาพุทธต้องถึง 5,000 ปีทุกวันนี้ก็เห็นอาตมาก็เข้าใจก็เห็นสภาพแล้วนะีะพอเป็นไปได้นะพราะก็ขอให้พวกเราได้พยายามนะอย่าประมาททุกคนของใครของมันตัวใครก็ตัวใครอ่านะพยายามผากเพียรสั่งสมเอาเรามีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีสิ่งแวดล้อมดีมีเสนาสนะสปายะมีบุคคลสปายะมีอาหารสปายะมีธรรมสปายะอยู่แล้ว เพราะงั้นก็ต้องพยายามกันนะอย่าละโอกาสพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องโอกาสเรื่องขณะเนี่ยแม้แต่บอกว่าเคี้ยวข้าวคำหนึ่งท่านบอกว่าอย่างสัน้นอย่างยาวไปขณะน่นนะคอยะระลึกทีไม่ได้เคี้ยวข้าวคำกลืนถึงแล้วก็คอยะระลึกทีไม่ได้หายใจออกหายใจเข้าทีนี่ก็ยังน้อยไปขณะต้องละเอียดระลึกให้ได้เสมอยิ่งกว่านั้นนะ ต้องให้ทุกขณะเราระลึกเสมอว่าชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้จะต้องพยายามสำนึกสงวนมีสมะปะทาน4พยายามปฏิบัติสติปัฏฐาน4ีมีอิทธิบาทให้เพียงพอต้องเพิ่มอินทรีย์เพิ่มพะละกันจริงๆนะถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้อัตมามีหน้าที่เขี่ยวเข็นมีหน้าที่ผลกเรามีหน้าที่บอกให้คุณพยายามภาคเพีนนะไม่เช่นนั้นแล้วก็เสียเวลาโมฆะอย่างที่กล่าวแล้วนะ เราวันนี้ัตมาได้สาธยายเนื้อหาสาระก็กำชับกำชากันอีกทีก่อนจะได้จบในการเทศนาคราวนี้